พระพุทธเจ้าทรงสอนให้สาธุชนพุทธบริษัทผู้ปรารถนาความสุขที่แท้จริงความสุขที่เกิดจากการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายให้หยุดภารกิจการทำงานเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไว้หนึ่งวัน เพื่อจะได้เอาเวลามาให้กับการมาสร้างความสุขที่ปราศจากความทุกข์คือเปลี่ยนวิธีการหาความสุขจากการหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณที่เรียกว่าการมาสุขมาเป็นสันติสุข คือการหาความสุขจากการทำใจให้สงบเพราะว่าการมาสุขนี้มันเป็นทุกข์ไม่ได้เป็นสุขที่แท้จริงเป็นความสุขชั่วคราวพอวันพอมันหมดไปสิ่งที่จะตามเข้ามาก็คือความทุกข์ใจคนเราทุกคนที่อยู่ในโลกนี้ ที่ทุกข์กันก็เพราะว่าไปเสพการมาสุกนี่เพราะการมาสุกนี้ไม่ให้ความอิ่มความพอได้เสพมากน้อยเพียงไรมันก็ไม่อิ่มไม่พอพอความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลทพ้าจางหายไปความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายก็เกิดขึ้นภายในใจความหิวความอยากจะเสพ ก็ตามมาแล้วถ้าไม่ได้เสพก็จะเกิดความทุกข์ใจเกิดความเสียใจคนเราทุกคนที่มาอยู่ในโลกนี้ที่มีความทุกข์กันนี้ก็เพราะว่าเสพความสุขที่ไม่ถูกเสพความสุขที่เป็นทุกข์นั่นเองการมาสุขเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ทุกขังที่มันเป็นทุกขังเพราะมันเป็นอนิจจังอนิจจังมันไม่เที่ยงมันเป็นของชั่วคราวอนัตตาเราไปทําให้มันเที่ยงไม่ได้ทําให้มันเป็นความสุขที่ยั่งยืนถาวรที่ไม่เสื่อมไม่หมดไม่ได้นี่แหละคือความทุกข์ของคนในโลกนี้ไม่ได้ทุกจากอะไรทุกจากการเสพ การมาสุขนี่โดยความหลงโนหะอาวิชชาคิดว่าเป็นความสุขกันก็เลยทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการหาลูปเสียงกิดลดผลพัภนาในรูปแบบต่างๆมาเสพเสพได้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอพอเวลาไม่ได้เสพก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา น่าจะต้องมีโอกาสที่ไม่ได้เสพเพราะการจะเสพรูปเสียงกิจลดผลภานี้มันต้องใช้ปัจจัยหลายด้านด้วยกันด้านหนึ่งก็คือต้องมีร่างกายถ้าไม่มีร่างกายหรือร่างกายทุทุบพลภาพเช่นไม่สบายไม่พิกลพิการก็จะไม่สามารถ ใช้ร่างกายไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพฑ์ได้ก็เราจึงกลัวตายกันกลัวเจ็บไข้ได้ป่วยกันกลัวที่จะพิกลพิการกันเพราะร่างกายนี้เป็นเครื่องมือสําคัญเครื่องมืออันดับแรกคือต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ไม่พิกลพิการมีตาหูจมูกลิ้นกายที่พร้อม ที่จะไปรับรูปเสียงกลิ่นรสผลทพภาพมาให้ใจได้เสกถ้าอายตนาคือตาหูจมูกนิ้นกายมีอันเป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเกิดตาบอดขึ้นมาความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นทันทีพอจะไม่สามารถเสบรูปต่างๆได้หูหนวกก็ไม่สามารถเสบเสียงได้ เป็นอวัยวะร่างกายพธภะ พ, พิกลพิการขาขาดแขนขาดจะทำอะไรก็ไม่สะดวกอันนี้คือปัจจัยอันหนึ่งในการเสพกามสุขต้องมีร่างกายแล้วก็เป็นร่างกายที่ไม่มีใครสามารถทำให้มันอยู่แบบไม่ตายได้ คืออยากให้มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะความอยากเสพมันมีตลอดเวลาแล้วมันไม่อิ่มไม่พอเสพได้มากได้น้อยก็ไม่อิ่มไม่พอต้องเสพไปเรื่อยๆพอเครื่องมือคือร่างกายต้องเป็นไปตามวัฏจักรของเขาร่างกายทุกร่างกายนั้น เมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องเดินไปสู่ความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความพิกลพิการแล้วก็ความตายในที่สุดพอเกิดปัญหาขึ้นกับทางร่างกายความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นจากการที่ไม่สามารถหารูปเสียงกลิ่นรสผลพัฒนาชนิดต่างๆมาเสพได้เหมือนที่เคยเสพอ น, นี้ อารเสกกามาสุขคือรูปเสียงกลิ่นรสนี้ต้องมีปัจจัยอันแรกก็คือต้องมีร่างกายที่พร้อมตาหูจมูกนิ้นกายพร้อมที่จะรับรูปเสียงกลิ่นรสผลทพมาให้กับใจได้เสจนอกจากร่างกายแล้วยังต้องมีปัจจัยก็คือเงินทองอีกเพราะ รูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณนั้นที่ต้องการจะเสพส่วนใหญ่มกักจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสที่จะต้องใช้เงินใช้ทองกันรูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นของฟรีนี่มันไม่ค่อยจะประทับใจไม่ค่อยให้ความสุขเหมือนกับรูปเสียงกลิ่นรสที่มนุษย์ผลิตขึ้นมาขายเช่นภา พ, พยนตร์รูปเสียง ที่มาทางภา พ, พยนตร์เราก็มีรูปเสียงที่เราได้ดูทุกวันร mm hmm. อบตัวเรานี้ก็มีรูปมีเสียงอยู่แต่มันไม่ประทับใจมันไม่ทําให้เกิดความสุขใจเหมือนกับได้ดูภา พ, พยนตร์หรือได้ฟังดนตรีอาหารก็มีหลากหลายชนิดด้วยกันอาหารที่มีรสชาติที่ถูกปากถูกใจ ก็ต้องใช้เงินใช้ทองสรรหามาเสกถ้าเกิดไม่มีเงินทองเงินทองขาดมือขึ้นมาความสุขที่จะได้จากการเสก ร, รูปเสียงจิตลดผลธรรมชนิดต่างๆมันก็เป็นไปไม่ได้ไม่สามารถไปซื้ อ, อยากจะไปดูภาพยนตร์ก็ไม่มีเงินซื้อตั๋วดูอยากจะไปดูคอนเสิร์ต ก็ไม่มีเงินที่จะไปซื้อตั๋วเข้าไปหรืออยากจะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็มีค่าใช้ใจ่ายค่าเดินทางค่าที่อยู่อาศัยค่าบริการของสถานที่ต่างๆก็คือต้องมีปัจจัยก็คือเงินทองเป็นเป็นเครื่องมือในการที่จะหารูปเสียงกลิ่นรสผลพัมาเสร็ อันนี้ก็คือปัจจัยสองอย่างที่สําคัญที่ทําให้มนุษย์เราทุกคนเกิดมานี้พยายามที่จะคอยแสวงหาหรือถ้ามีก็คอยคอยพยายามรักษาไว้ให้มีอยู่เรื่อยๆมีร่างกายก็ต้องพยายามรักษาร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงอย่าเจ็บไข้ได้ป่วยอย่าพิกลพิการ มีเงินทองก็ต้องมีใช้ไปเรื่อยๆ<ม>ก็ต้องดิน้นรนคอยหาเงินหาทองมาอยู่เรื่อยๆเพราะเงินทองเมื่อเอาไปใช้มันก็จะหมดเมื่อหมดก็ต้องไปหามาใหม่ถ้าเงินทองขาดมือเมื่อไหร่ความทุกข์ก็เกิดขึ้นตามมา ท, ทันทีนี่แหละเป็นเรื่องของความทุกข์ ที่เกิดจากการไปเสพรูปเสียงกีดรถทุกทางด้านปัจจัยที่จะเป็นเครื่องมือในการที่จะหารูปเสียงกีดรถมาเสบต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงมีเงินทองไว้สนับสนุนอยากจะดูอะไรอยากจะฟังอะไรอยากจะกินอะไรอยากจะดื่มอะไรก็ต้องมีเงินทองถึงจะสามารถที่จะเสบกามกามมศุขได้ แล้วก็ปัญหาของกา ร, รมาสุกก็คือมันไม่ได้เป็นสุกแท้มันไม่ได้เป็นสุกแบบยั่งยืนถาวรตลอดไปเช่นไปดูภาพยนตร์มาเรื่องหนึ่งแล้วก็จบจบแล้วก็ความสุขที่ได้จากภาพยนตร์นั้นก็อยู่ติดกับใจไปตลอดทำให้ไม่ต้องไปดูภาพยนตร์เรื่องใหม่มันไม่มีดูกี่เรื่องกี่ร้อยเรื่อง ดูปั๊บพอออกจากโรงมาความสุขที่ได้จากดูมันก็หมดไปแล้วแค่สองชั่วโมงแล้วก็มีความอยากดูหนังเรื่องใหม่ขึ้นมาอีกคนขายหนังมันก็ฉลาดมันก็มีหนังตัวอย่างคอยล่อใจอยู่เรื่อยเวลาเข้าไปดูหนังเขามักจะมีฉายหนังตัวอย่างของหนังที่เขายังไม่ไดเอามาฉายเอามาล่อใจเอามาเป็นเหมือนน้ำย่อยอามนล่อน้ำย่อยให้เกิดขึ้นในใจ พอเห็นหนังตัวอย่างแนละ้วนี่พอพอดูหนังเรื่องนี้จบแล้วพอกลับไปบ้านความสุขที่ได้จากการดูหนังเรื่องนั้นก็หมดไปก็คิดถึงหนังเรื่องใหม่ที่จะมาต่อนี่คือธรรมชาติของความอยากความอยากนี้มันไม่เคยให้คำว่าอิ่มคาว่าพอและสิ่งที่เสพมันก็ไม่ให้ความอิ่มความพอ ให้ความสุขแบบชั่วครั้งชั่วคราวไม่ได้ให้ความสุขแบบยั่งยืนถาวรถ้าเป็นความสุขแบบยั่งยืนถาวรได้ก็สบายสิพวกเราไปดูหนังเรื่องเดียวก็พอพอแล้วจะดูไม่ต้องอยากจะดูอีกต่อไปไปฟังเพลงเพลงเดียวก็พอแล้วไม่ต้องไปหาเพลงใหม่มาฟังให้อยู่เรื่อยๆฟังเพลงเก่าซ้ำไปเรื่อยๆก็ได้ดูหนังเก่าซ้าไปเรื่อยๆก็ได้ พอดูของเก่าซ้ําไปของที่จะให้ความสุขกับการเป็นของน่าเบื่อไปซิอาหารรสชาติดีขนาดไหนชอบกินขนาดไหนเราให้กินซ้ำๆซักๆอยู่ไปสักพักดูเลยเดี๋ยวมันก็กินไม่ลงมันก็เบื่อ <S <S นี่แหละคือธรรมชาติของรูปเสียงกลิ่นรสผลพัฒนาชนิดต่างๆมันไม่ได้ให้ความสุขอย่างแท้จริงนอกจากไม่ได้ให้ความสุขแล้วมันยังให้ความทุกข์ พอเราเบื่อพอเบื่อกับสิ่งที่เราได้มานะก็อยากจะหนีจากสิ่งที่เราเบื่อไปแม้แต่แฟนที่เรารักกันใหม่ๆห ม, มเวลาเจอกันใหม่ๆนนี้ลักกันเหมือนกับฟ้ากับดินแต่พออยู่กันไปนานๆเขาเอ้ทาไมมันไม่ลักกันเหมือนเหมือนแต่ก่อนไม่ได้ไม่ลักกันเหมือนตอนที่ได้เจอกันใหม่ๆเพราะมันเบื่อไงมันเห็นซ้ำซากเห็นจาเจ อะไรที่เป็นสิ่งซ้ำซากอะไรที่เป็นสิ่งจำเจมันไม่ให้ความดูดดื่มใจเหมือนกับตอนที่ได้เห็นครั้งแรกเวลาเห็นครั้งแรกนี้โอ้โหตาลุกวาวใจลุกวาวขึ้นมาเหมือนได้ขึ้นสวรรค์เองแต่ได้เห็นเท่านั้นก็มีความสุขนะแต่พอได้อยู่ด้วยกันได้เจอกันได้เห็นกันได้พบกันทุกวันทุกวันแทนที่จะมีความสุขเพิ่มขึ้นมันกับเกิดความเบื่อขึ้นมาสิ นี่นะลักษณะของคาว่าอนิจจังไม่เที่ยงสิ่งใดที่จะให้ความสุขกับเรานั้นมันจะไม่ได้ให้ความสุขกับเราแบบยั่งยืนถาวรความสุขที่ได้จากมันมันจะมันจะเสื่อมไปตามตามประสบประการที่เราเจอมันทีบต่อพบเห็นมันพบเห็นครั้งแรกมันก็ตื่นเต้นตื่นตาครั้งที่สองมันก็เบาลงเบาลงเดี๋ยวต่อไปมันพอชินชาขึ้นมามันก็เลยไม่เห็นไม่มีคุณค่าไป ของที่ตอนต้นที่เราคิดว่ามีคุณค่ากับเรากับกายเป็นของน่าเบื่อไปอันนี้แหละจึงเป็นปัญหาที่ทำให้ใครก็ตามที่เสพกามนี่จะต้องเจอกับความเบื่อหน่ายจะต้องเจอกับความทุกข์ต่างๆแลาก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าไม่เปลี่ยนวิธีหาความสุขกัน จะเปลียนวิธีหาความสุขได้ก็ต้องมีเจอคนฉลาดคนที่รู้จักความสุขอีกรูปแบบหนึ่งก็คือความสุขที่เกิดจากการทําใจให้สงบที่เราเรียกว่าสันติสุขความสุขแบบนี้เป็นความสุขที่ให้ความอิ่มความพอเวลามันจิตสงบแล้วนี่มันมีความสุขมันมีความอิ่มมันมีความพอมันไม่หิวกับอะไร มันไม่หิวกับรูปเสียงกิจลดโผฏฐะชนิดต่างๆมันอยู่เฉยๆของมันได้อย่างมีความสุขถึงแม้ว่ามันยังม่มีอยู่สองระดับด้วยกันก็ตามคือระดับที่ยังเสื่อมได้กับระดับที่ไม่เสื่อมในการปฏิบัติก็เพื่อที่จะขยับจากระดับที่เสื่อมได้ให้กลายเป็นระดับที่ไม่เสื่อมคือเป็นความสุขแบบยั่งยืนถาวรไม่มีวันสิ้นสุด แล้วความสุขจากสันติสุขนี่มันก็ไม่ต้องใช้ปัจใจเหมือนกับที่เราต้องใช้กับกามมัสุขคือไม่ต้องใช้ร่างกายก็ได้ร่างกายจะพิกลพิการร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วย<ม>ก็ไม่มีเป็นอุปสรรคในการที่จะมาสร้างความสุขทางใ จ, มงใใจแม้แต่ร่างกายเวลามันตายไปมันก็ไม่เป็นปั๊ เ ป, เ, ป เ, ปเป็นเป็นเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความสุขทางใจเพราะความสุขทางใจนี้ที่เรียกว่าสันติสุขนี้เราใช้ใจเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาใช้เครื่องมือของใจเครื่องมือที่จะมาทำให้ใจสงบนี้มีอยู่สองชิ้นทั้งนั้นก็คือสติและปัญญาสตินี้จะทำให้ใจสงบแบบชั่วคราวก่อน แล้วปัญญานี้จะทำให้สงบแบบยั่งยืนแบบถาวรแต่การที่เราจะสามารถที่จะสร้างสติสร้างปัญญาขึ้นมาเพื่อเอามาสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบได้นี้เราก็ต้องมีเวลาให้กับการจเจริญสติจเจริญปัญญา เพราะตอนนี้ตอนที่เราเริ่มต้นนี้เรายังมีสติน้อยมีปัญญาน้อยยังไม่มีกำลังพอที่จะทำให้จิตสงบได้ถ้าเราอยากจะให้จิตสงบนี้เราต้องสร้างาเราต้องมีเวลาแล้วเราต้องมีมาตรการคอยป้องกันอุปสรรคต่างๆที่จะมาขีดขวางการสร้าง ความสงบนี้ขึ้นมาอุปสรรคที่จะมาสร้างที่จะมากีดกันการสร้างความสุขนี้ก็คือความอยากเสพการมาสุขนี้เองเพราะมันเป็นนิสยัยมันติดเป็นนิสัยมาเคยดูเคยฟังเคยกินเคยดื่มอะไรมันก็จะดื่มจะกินของมันไปแทบทุกวันทุกวันนี่เราเสพของที่เราเคยเสพอยู่เป็นประจำ ถ้าไม่ได้เส็บแล้วมันรู้สึกขาดอะไรไปคนที่ดื่มกาแฟนี่พอถึงเวลาตื่นขึ้นมาก็ต้องคิดถึงกาแฟก่อนนะหา ก, กาแฟมาดื่มคนที่ดูมือถือพอเปิ ด, ดลืมตาขึ้นมาก็ต้องเปิดมือถือดูก่อนนะถ้าเกิดมือถือหายไปหรือเสียไปนี่ก็วุ่นลเลยอยู่ไหนวะเอา ไ, ไว้ที่ไหนมันต้องมีมาตรการ ป้องกันไม่ให้ไปเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นลดต่างๆ mm hmm. คือต้องเจริญเนคข ม, มะบาลมีในคข ม, มะก็คือการการละเว้นการเสดความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดถุถะก็คือการละเว้นการเสดการมาสุขนี่เรียกว่าเนคข ม, มะเ mm hmm. นคข ม, มะก็มาในรูปแบบของศีลแปดเนี่ย สินแปะนี่เป็นสีลที่จะห้าไม่ให้ทำบาปส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็ห้าไม่ให้ไปเสพลูกเสียงกินลดทพุพภะเหตุเหตุที่จะทาบาปก็คือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดประเพณีการประพฤติผิดในกรรมการโกหกการดื่มสุรายาเมาเนี้ก็เป็นส่วนของการห้ามไม่ให้กระทำบาป ส่วนศิลข้อหกเจ็ดแปดและก็สินข้อ 4, สี่สินข้อสามที่ต้องเปลี่ยนจากการไม่ประพฤติผิดในการมมาเป็นไม่ประพฤติไม่ประพฤติในกรรมเลยคือไม่มีเพศสัมพันธ์กับใครเลยเพราะการเสพการมีเพศสัมพันธ์ก็เป็นการเสพความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายนั่นเองเป็นการมฉันทะการมาขุณห้าเป็นการมตันหา เป็นอุปสรรคต่อการที่จะไปเจริญสติจเจริญปัญญาเพราะว่าจะไม่มีเวลาไปเจริญสติจะไปเจริญปัญญาถ้ามีการเสพกลางกันมีการร่วมหลับนอนกันเสพเสร็จมันก็เหนื่อยมันก็นอนต่อวันคืนนั้นทั้งคืนก็เลยไม่มีการปฏิบัติธรรมกันแต่ถ้าเราไม่เสพกลามเราก็จะมีเวลาให้กับการปฏิบัติธรรมไปจนถึงเวลานอน แล้วหลังจากตื่นขึ้นมาเราก็อยากรู้ขึ้นมาปฏิบัติทมได้ต่อจเจริญสติได้ต่อดังนั้นการที่เราจะมาสร้างสันติสุขด้วยการจเจริญสติและปัญญาตามลำดับนี้เราต้องมีเวลาต้องไม่ไปทำกิจกรรมทางการอารมณ์ไม่ไปทากิจกรรมการเตะลูกเสียงจิตลดเสียงท่อสามก็เป็นอบรมจริยา ไม่ประพฤติไม่ประพฤติการเลยไม่เสพการแต่พประพฤติพรหมจรรย์โือเป็นโสดไม่ยุ่งกับใครแล้วก็เพิ่มข้อหกไม่ให้เสพรูปเสียงกินรสของอาหารให้กินอาหารได้ให้กินแบบกินยากินไม่มากกินพอประมาณกินพอให้ร่างกายอยู่ได้ดับความหิวได้ก็พอแต่ไม่ให้กินตามความอยาก อยากจะกินเมื่อไหร่กก็กินถ้าไม่ได้ถือศีลแปดนี่ก็มักจะกินกันเวลาสามสี่มื้อและมียัง ก, กินระหว่างมื้ออีกกินมื้อนี้เสร็จแล้วกอจะถึงมื้อต่อไปก็ยังอาจจะหาขนมหาเครื่องดื่มอะไรมากินต่อด้ว อ, อยู่เรื่อยๆ อ, อันนี้เรียกว่าเป็นการเสพกามเสพ ร, รูปเสียงกินรถของอาหารและเครื่องดื่มนะครับ ก็จะทำให้ติดติดแล้วใจก็จะพะวักพว์จะคิดถึงแต่เรื่องเรื่องกินเรื่องดืง่มจะไม่มีกระจิตกระใจที่จะไปเจริญสติไปควบคุมความคิดให้หยุดคิดได้แล้วก็ถ้ากินมากๆกินเกินที่ร่างกายต้องการก็สร้างความห่วงเหงาเหงานอนขึ้นมาจะเดินจงกรมจะนั่งสมาธิก็หลับห่วง เลขี้เกียจไม่อยากหนังท้องตึงแล้วหนังตามันหยอ่อนอยากจะนอนมากกว่าอยากที่จะไปเจริญสติไปนั่งสมาธิไปฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาขึ้นมาอนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องมีมาตรการคอยป้องกันการเสกกามห้ามเสกกามในวันที่เราจะมาเจริญ สันติสุขเราต้องละา ก, การเสพการมุสุขเพราะว่าสองอย่างนี้มันไปด้วยกันไม่ได้เหมือนเหนือกับใต้มันไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันเช่นเชียงใหม่กับเชียงรายนี่ยังพอไปด้วยกันได้อยู่ทางเหนือด้วยกันแต่เชียงใหม่กับภูเกต็ตนี่มันอยู่คนละทางกันจะไปภูเกต็ตก็ไปเชียงใหม่ไม่ได้จะไปเชียงใหม่ก็ไปภูเกต็ตไม่ได้ ก็ต้องเลือกเอาที่เลือกที่จะเลือกก็พราะเห็นต้องเห็นโทษของการมาสุขว่าการเสพการมาสุขนี้เป็นการเสพความทุกข์โดยไม่รู้สึกตัวเพียงแต่ว่ามันมามันมาทีหลังความสุขมันความสุขมันเหมือนกับเหยือ่อที่มันติดอยู่ปลายเบ็ดแต่ความทุกข์ที่เกิดจากการถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากนี่มันตามมาทีหลังปลาถึงถูก เขาจับขึ้นจักน้ำได้ด้วยการเอาเหยื่อมาติดอยู่ที่ปลายเบ็ดพอปลาที่ไม่ฉลาดเห็นเหยื่อก็คิดว่าเป็นความสุขเป็นอาหารอันโอชะก็ไปฮุ่เหยื่อเข้าก็ถูกตะขอเบ็ดเดียวปาดถูกดึงขึ้นไปจากน้ำจากแม่น้ำเข้าไปสู่น้ำในกระทะน้ำในหม้อเพราะไม่ฉลาดเพราะหลงผิด คิดว่าเป็นความสุขคิดว่าเป็นอาหารทันใดคนที่ไม่ฉลาดก็จะเห็นความสุขเพียงอย่างเดียวจากการเสพลูกเสียงกลิ่นลดทอนสภาพต่างๆจะไม่เห็นความทุกข์ที่ตามมาเวลาที่หมดกำลังหรือหมดปัจจัยที่จะนํามาเสพได้คนบางคนเวลามีเงินนี่หลงะหลงระเริงกับการใช้เงินเสพความสุข เลยไม่คิดว่าวันใดวันหนึ่งเงินทองก็อาจจะไม่พอใช้ขึ้นมาพอไม่พอใช้ก็ไปกู้หนี้ยืมสินเขากู้หนี้ยืมสินแล้วก็ไปโกหกหลอกลวงเขาถ้าพูดความจริงเขาก็ไม่ให้ยืมก็ต้องโกหเรื่องขึ้นมาแต่งเรื่องขึ้นมาต้องเอาเงินไปทำํนทำนู่นทํานี่อันจริงเงินก็ไปใช้หนี้หรือว่าเอาไปเสพความสุขต่อไป ซึ่งถ้าคนยืมเขาให้ยืมเขารู้ว่าจะไปใช้แบบนี้เขาก็ไม่ให้เขารู้ว่าให้ไปแล้วก็ไม่ได้คืนอย่างแน่นอน mm. นี่แหะคือโทษตามมาพอใช้เงินแบบสุรุ่ยสุร่ายใช้แบบตามตันหาความอยากเห็นอะไรอยากจะเสพก็เสพเห็นอะไรอยากจะซื้อก็ซื้อพ mm. อเงินหมดแล้วทีนี้ก็เดือดร้อน เราต้องรักษาหน้าตาของตนเองไว้ฉันเป็นคนมีเงินมีทางร่ํำรวยฉันมีเงินใช้ปีวันแล้เป็นล้านพ <c oughs> องเงินหมดรายได้เกิดขาดรายได้ขึ้นมาไม่พอเอามาใช้ใจ่ายก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเขาแล้วพอกู้หนี้ยืมสินก็ไม่มีทางที่จะไปใช้เขาได้พ อ, อถึงเวลาเขาก็ต้องมาจี้มาทวงคืนก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมากลายเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมา หายทรงหายโดยกลายเป็นกลายเป็นขอทานไปกลายเป็นคนโกหกหลอกลวงไปนี่แหละคือโทษของการเสพการมาสุขเราต้องเห็นโทษก่อนเราถึงจะคิดเปลี่ยนเปลี่ยนทางหาความสุขกันหาความสุขแบบสันติสุขดีกว่าเพราะว่าการเสพสันติสุคนี้อย่างที่พูดนี้ก็ไม่ต้องใช้เงินทอง อาจจะใช้บ้างสําหรับค่าใช้ใจ่ายที่เรา จ, จะไม่ต้องใช้สถานที่ตามวัดตามสถานที่ปฏิบัติธรรมเราก็จะต้องช่วยสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายเพราะถ้าไม่มีใครสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายมันก็จะไม่มีสถานที่ปฏิบัติธรรมปรากฏขึ้นมาได้ก็ต้องมีการทำบุญทาทานกันไปเงินที่เอามาทำบุญทำทานนี้เป็นเงินที่สะอาดเป็นเงินที่เป็น <c oughs> เป็นคุณเป็นประโยชน์ทั้งผู้ให้และผู้รับผู้รับก็จะได้เอาไปทำประโยชน์ทำสถานที่ปฏิบัติผู้ให้ก็ได้ความสุขจากการให้จากการทำบุญทําทาน อ, อันนี้ถ้าไม่มีเงินทางเขาก็ไม่เรียกร้องตามสถานที่ปฏิบัติทำก็ไม่บังคับอาจจะมีแค่ขั้นต่ำสำหรับค่าอะไรบางอย่างเท่านั้นเอง เรื่องจะทำมากทำน้อยนี่เขาปล่อยให้เป็นไปตามอัธยาศัยน่างกายก็ไม่ต้องมีเสื้อผ้าพรหรูหราเหมือนกับเวลาที่จะไปดูหนังดูละครไปเที่ยวข้างนอกนี้ต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่ราคาแพงๆมีสร้อยมีนาฬิกามีกระป๋องกระเป๋าอะไรราคาแพงๆไว้อวดไว้โชว์การไปปฏิบัติธรรมนี่ สั่งกายแบบเรียบง่ายชุดขาวหรือนุ่งขาวอนุ่งดําห่มขาวก็ได้บางวัดป่าทางภาคอีสานนี้เขาจะนิยมอนุ่งดําห่มขาวกันแต่ทางภาคกลางนี้จะนิยมนุ่งขาวห่มขาวกันก็เป็นเครื่องแบบสาหรับผู้ปฏิบัติธรรมเรียบง่ายไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายมากมายชุดละไม่กี่ตัง เพราะเราไม่ได้มาหาความสุขจากการเสริมสวยความงามต่างๆศิ่งข้อแปดก็ห้ามไว้อยู่แล้วสิ่งข้อเจดเนี่ยสิ่งแปมีเจ็ดข้อสิ่งข้อหกก็ห้ามกินละมะอาหารตามความอยากศิลข้อเจ็ดก็คือไม่ให้หาความสุขจากการดูหนังฟังเพลงซึ่งบันเทงิงต่างๆมหรสพ บ, บันเทงิงต่างๆแล้วก็ไม่ให้หาความสุขจาก การเสริมสวยความงามของร่างกายด้วยเชื้อผ้ า, าพรที่มีสีสันมีอะไรต่างๆแบบพิสดารมีราคาแพงๆเป็นต้นให้แต่งกายแบบเรียบง่ายพอปกปิดร่างกายไว้ไม่ให้ดูหน้าปุจุดอุจาตาก็พอหน้าตาก็ไม่ต้องใช้เครื่องสัมางอะไร ผมก็ไม่ต้องใช้อะไรแ ต, แต่วีให้ให้สะอาดวีให้เรียบร้อยก็พอหน้าตาก็ล้างด้วยน้ำด้วยสบู่ก็พออันนี้ก็เอาไปใช้ปฏิบัติทําได้แล้วแล้วร่างกายก็ความจริงก็ถ้าจะไม่ได้ใช้ร่างกายก็ได้แต่ถ้ายัางใช้ได้ร่างกายได้อยู่ก็ใช้ไปแต่ตัวปัจจัยสำคัญในการสร้าง สร้างความสุขที่เกิดจากความสงบนี้อยู่ที่สติในเบื้องต้นขั้นต้นนี้ต้องใช้ฝึกสติก่อนเราฝึกทั้งสองอย่างพร้อมกันไม่ได้ฝึกสติฝึกปัญญาพร้อมกันไม่ได้เพราะมันยากอย่างเดียวก็ยากพอสมควรนะนนเบื้องต้นนี้เราจะฝึกแต่สติก่อนคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดด้วยสติสติก็คือการระลึกรู้ อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นอยู่กับคำบริกรรมพุทธโธพุทธโธพุทธโธหรือยอยู่กับการเคลื่อนไหวการกระทําของร่างกายในทุกอิริยาบถในทุกการกระทําก็ได้ร่างกายก็ดีพุทธโธก็ดีนี้เราเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานก็คืออารมณ์ที่ใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้ลอยไปกับความคิดปุงแต่งต่างๆ ปกติใจเหล่านี้จะมีการคิดปรุงแต่งตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาก็เริ่มคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ใจก็ลอยตามไปลอยไปกับความคิดคิดเรื่องนี้แล้วก็ต่อเรื่องนั้นแล้วเวลาคิดบางทีก็เกิดอารมณ์ว่าวุ่นขุนมัวขึ้นมาเกิดความเครียดขึ้นมาไม่มีความสุขมีแต่ความวุ่นวายใจมีแต่ความวิตกกังวลต่าง พรโดยธรรมชาติของใจที่มีกิเลสนี้มันคิดไปในทางที่จะทําให้เกิดความสุขเกิดความสงบไม่เป็นมันจะคิดไปในทางความโลภความโกรธความหลงอยู่เรื่อยๆพอโลภโกรธหลงเกิดขึ้นในใจก็ เ, เหมือนจุดไฟเผาบ้านเราดีๆนี่กิเลสตัณหานี่มันเป็นเหมือนกับไฟที่เผาใจแล้วพอเราคิดเรื่องกิเลสตัณหามันก็ทําเหมือนกับ จุดไฟเผาใจของเราขึ้นมาใจเราก็วุ่นวายขึ้นมาความวุ่นขุ่นมัวฟุ้งซ่านวิตกกังวลอะไรต่างๆร้อยแปดพันประการเกิดจากการไม่มีสติยึดเหนี่ยวไม่มีกรรมฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเพราะไม่รู้จักวิธีควบคุมความคิดวิธีที่จะหยุดความคิดด้วยการใช้กรรมฐานเป็นอารมณ์ ในการยึดเดี่ยวจิตใจไม่ให้ไปหลงคิดตามถ้าไม่ไปคิดตามความคิดที่มันคิดมันก็จะมันก็จะหายไปฉะนั้นการที่เราจะมาสร้างสันติสุขคือความสงบจากการทำใจให้สงบนี้เราจาเป็นจะต้องเจริญสติด้วยการจด้วยการผูกใจไว้ให้อยู่กับกรรมฐานองค์ใดองค์หนึ่งแบบไหนแบบหนึ่ง บางท่านก็ใช้พุโทโธพอลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุทโธไปเรื่อยๆพุโทโธมันไม่ยากหรอกเพราะเราคิดมันก็เป็นแค่ความคิดเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันเป็นความคิดที่จะทาที่จะหยุดความคิดต่างๆได้แต่ถ้าเราไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดไปด้วยความโลภความอยากมันก็จะต่อยาวไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดแต่ถ้าเราคิดอยู่กับพุโทโธพุโทโธพุทโธไป ความคิดต่างๆมันก็จะไม่สามารถต่อความยาวสาวความยืดได้เพราะเราไม่ไปคิดตามมันเราไม่ไปให้ความสำคัญไปสนใจกับมันเราพยายามผูกใจให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธไปแล้วถ้ามันไม่คิดเราก็หยุดพุโทโธได้ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องพุโทโธไปทั้งวันทั้งคืนเลยเราก็พุโทโธไปแค่ในช่วงที่เกิดความคิดขึ้นมาแล้วใจลอยไปกับความคิด ก็ดึงใจให้กลับเข้ามาที่ฐานดึงกลับมาที่พุทโธพุทโธอย่าไปตามกับอย่าไปตามความคิดถ้าเราไม่ไปตามความคิดเรากลับอยู่กลับมาอยู่ที่พุทโธพุทโธเดี๋ยวความคิดเหล่านั้นก็จะจางหายไปพอมันหายไปไม่มีความคิดอะไรสักแต่ว่ารู้เราก็อยุดพุทโธได้แต่ช่วงที่มันมีความคิดนี้เราต้องพยายามต้องใช้พุทโธ อย่าอย่าท้อถอยอย่ายอมแพ้อย่าอยู่พุโทโธพุทโธไปเรื่อยเื่มันไม่ยากหรอกคำว่าพุโทโธมันจะยากที่ไหนมันก็เป็นแค่ความคิดคำหนึงๆๆ่งทีๆๆๆ่หนึ่งพุทโธพุทโธพุทโธไปแทนที่จะคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เราคิดได้ทั้งวันแล้วเราทำไมจะคิดพุโทโธไม่ได้ทั้งวันถ้าเราจะมันก็เป็นความคิดเหมือนกันและเป็นความคิดที่มีคุณค่ายอย่างยิ่งเพราะมันสามารถนําใจให้เข้าสู่ความสงบได้ เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากที่จะหาสันติสุขหาความสุขที่เกิดจากความสงบนี่เราต้องมีการเจริญสติในเบื้องต้นก่อนอเรายังไม่สามารถเจริญปัญญาได้เพราะเรายังไม่สามารถควบคุมความคิดได้สั่งให้คิดไปในทางปัญญาได้เพราะตอนนี้ใจของเราถูกโมหะอวิชชากิเลสตัณหาควบคุมความคิดของเราอยู่ เราต้องเดึงความคิดกลับมาให้เป็นอยู่ภายใต้การควบคุมของเราก่อนอันนี้มันอยู่ภายใต้ความคิดของการควบคุมของกิเลสตัณหาของโมหะอวิชชามันจะให้เราไปคิดแต่การหารูปเสียงกลุดโผล่สภามาเสพเรื่อยๆคิดแต่การเรื่องหาราบยศสารเสิริญคิดหาวิธีรักษาราบยศสารเสิริญสุขให้อยู่ไปนานๆ มันก็จะคิดอยู่แต่เรื่องราวเหล่านี้อยู่ไปทั้งวันทั้งคืนมันก็จะไม่สามารถที่จะมาคิดทางปัญญาได้เพราะว่าเรายัางไม่สามารถที่จะดึงมันออกมาจากกิเลสได้นั่นเองดงั้นเบื้องต้นเราต้องหยุดทางคิดให้ได้ก่อนด้วยการเจริญสติฝึก ส, สติอาจะใช้คำบริกรรมพุโทโธก็ได้หรือจะใช้การเข้าดูการเคลื่อนไหวริยาบทต่างๆการกระทาต่างๆของร่างกายก็ได้ นี่แต่ดูท่านเองมาตอนนี้ร่างกายเรากําลังทําอะไรอยู่กําลังนั่งอยู่ก็รู้ว่ากําลังนั่งอยู่กําลังยืนก็รู้ว่ากําลังยืนกําลังเดินก็รู้ว่ากําลังเดินอย่าคาดสายอย่าอย่าให้มันคาดจากสายตาของใจไปใจต้องรู้อยู่ทุกขณะว่าตอนนี้ร่างกายกําลังทําอะไรอยู่โดยเฉพาะเวลามีการเคลื่อนไหวเวลามีการกระทําอะไรต่างๆเป็นกําลังรับประทานอาหาร ก็ให้อยู่กับการรับประทานอาหารตั้งแต่ตักอาหารจากจานขึ้นมาใส่ปากแล้วก็เคี้ยวแล้วก็กลืนต้องรู้ตามขั้นตอนนี้ไปเลยพอตอนนี้เรากําลังตักอาหารจากจานขึ้นมาเอาเข้าใส่ปากแล้วกําลังเคี้ยวอยู่กําลังกลืนยามทำสองสามอย่างพร้อมกันตักอาหารเข้าปากแล้วก็คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้วางแผนว่าจะไปทําอะไรดีต่อไป แล้วก็กลับมาตัดใหม่แล้วก็กลัไปคิดใหม่อย่างนี้มันเรียกว่าเป็นเป็นสองอย่างมันไม่ได้อยู่อย่างเดียวให้ใจยอยู่กับร่างกายเพียงอย่างเดียวให้ทำอะไรทีใดอย่างถ้าต้องมีงานต้องทำก็ก็ยืนเฉยๆหรือนั่งแล้วนั่งคิดว่าจะทำอะไระคิดแต่เฉพาะเรื่องงานที่ต้องทำแต่การเจริญสติเราจึงมัก มักนิยมเจริญในวันที่เราไม่มีงานทํากันเราจะได้ไม่ต้องมา ก, งกังวลจากเรื่องความความคิดเกี่ยวกับการทํางานเราเลิกคิดได้เลยไม่ต้องคิดถึงเรื่องงานเรื่องการพอจะคิดถึงเรื่องงานเรื่องการก็ดึงกลับมาอยู่ที่กรรมฐานถ้าใช้ร่างกายก็กลับมาดูว่าตอนนี้ร่างกายกําลังทําอะไรอยู่ถ้าใช้พุโทโธก็ดึงกลับมาที่พุโทโธทําอย่างนี้ไปจน มันมีสติอย่างต่อเนื่องมันไม่ไปไหนมาไหนตามความคิดต่างๆแล้วพอมีเวลาว่างที่จะนั่งสมาธิได้เราก็นั่งนั่งสมาธินั่งหลับตาแล้วก็อาใช้พุโทโธก็พุโทโธต่อไปนั่งแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าไปตามความคิดต่างๆมีอะไรปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปตามรู้ พอรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นมาปั๊บก็กลับก็มาหาพุทโธต่อไปถ้าไม่ใช้พุทโธก็มีถ้าใช้ร่างกายเป็นการดูที่ตั้งของสติพอเวลานั่งสมาธิร่างกายไม่เคลื่อนไหวก็มีแต่ลมหายใจที่เคลื่อนไหวก็ใช้ลมหายใจเป็นอารมณ์ต่อไปดูลมหายใจที่ปลายจมูกลมเข้าก็รู้ตรงจุดที่มันเข้าไปที่ปลายจมูกลมออกก็รู้ว่ามัน ออกที่ปลายจมูกมันมีมีการสัมผัสอยู่ที่ปลายจมูกดูที่จุดสัมผัสของลมเข้าลมออกโดยที่ไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมไม่ต้องบังคับให้หายใจลึกๆหายใจยาวๆเป็นต้นบอกให้หายใจเหมือนตอนนี้ตอนนี้ญาติโยมไม่ได้ไปบังคับลมหายใจบอกให้มันหายใจไปตามเรื่องของมันไปมันจะหายใจเข้ากับรู้วเพียงแตให้เรารู้เท่านะั้นว่ามันกําลังเข้าหรือกําลังออก แล้วลมมันสั้นหรือลมมันยาวก็รู้เฉยๆไปรู้การเปลี่ยนแปลงของลมเบื้องต้นลมอาจจะสั้นต่อไปพอจิตเริ่มสงบขึ้นลมมันก็จะยาวยาวขึ้นไปจากจากหยาบลมหยาบก็จะกลายเป็นลมละเอียดหรือในที่สุดมันก็อาจจะหายไปก็ได้แต่การหายไปของลมนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้มีการหายใจ ลมหายใจอาจจะลิ่ยจะไม่สามารถที่จะไปกําหนดรับรู้ได้จึงไม่ต้องตกใจกลัวว่าเอ้ไม่มีลมหายใจเราจะตายหรือเปล่าพอคิดอย่างนี้ปั๊บจิตที่กําลังจะเข้าสู่ความสงบก็จะถอยออกมาทันทีพอจิตเริ่มคิดคิดด้วยความวิตกกังวล น, นี้เป็นความคิดที่ที่รุนแรงที่หยาบจิตที่ละเอียดจิตที่กําลังเข้าสู่ใกล้สู่ความสงบก็จะต้องกลายเป็นจิตที่หยาบกลับคืนมาใหม่ อันให้เราทำความเข้าใจถ้าเราดูลมแล้วไม่สามารถเห็นลมได้ก็อย่าไปคิดว่าเราจะตายไม่มีใครตายจากการนั่งสมาธิไม่มีใครตายจากการดูลมหายใจเข้าออกคนส่วนใหญ่ไปตายที่อื่นกันเสีมากกว่าตายบนรถตายบนเครื่องบินตายบนอะไรกันแต่อที่ตายแบบจากการไปฝึกสตินั่งสมาธินี้ไม่ค่อยมีข่าวเอามันไม่ตายหรอกมันลมหายใจยังมีอยู่ เพียงแต่ว่ามันละเอียดจนไม่สามารถที่จะไปรับรู้ได้เท่านั้นเองก็ให้รู้อยู่ที่จุดเดิมรู้อยู่ที่ปลายจมูกเหมือนกับตอนเริ่มต้นเพียงแต่ว่ารู้ว่าตอนนี้การสัมผัสของลมมันละเอียดมากจนไม่สามารถรับรับรู้ได้ว่ามันมีอยู่หรือไม่ก็ให้รู้เฉยๆไปไม่ให้คิดปรุงแต่งอะไรแล้วท่าเราไม่คิดอะไรรู้เฉยๆไปเดี๋ยวจิตก็รวมเข้าสู่ความสงบได้ อนี่แหละคือการหาความสุขที่เกิดจากความสงบพอจิตรวมเป็นสมาธิแล้วก็จะเกิดความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงคือเหนือกว่าความสุขของตามมาสุข เ, เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการเสียงลูกเสียงกลิ่นลดผลธรรพัชชนิดต่างๆก็เลยพอเราได้ความสุขจากสันติสุขแล้ว เ, เรารู้วิธีเข้าหาความสุขแบบนี้แล้ว เราก็จะสามารถกลับเข้าไปหามันได้ทุกเวลาที่เราต้องการพอเราได้ครั้งแรกแล้วเรารู้รวิธีการเข้าแล้วว่าทำอย่างไรล้วก็เวลาเราออกจากสมาธิมาเราก็มาเจริญสติต่อเจริญพุทโธพุทโธถ้าใช้พุทโธเจริญกายัสตากายกต า, ก า, กากสติคือดูการเคลื่อนไหวของร่างกายแล้วก็ดูไป ทำอย่างนี้ไปก่อนขั้นต้นขั้นสติขั้นสมาธินี้เป็นของที่เป็นขั้นแรกของการปฏิบัติถ้าเราหยุดความคิดได้จิตนิ่งสงบได้ก็สแสดงว่าเราเริ่มมีกำลังที่จะควบคุมความคิดได้แล้วแต่ยังอาจจะไม่ชำนาญเพราะว่าการได้ครั้งแรกนี้มันยังเป็นเป็นการเริ่มต้นของการควบคุมความคิดอยู่เราก็ต้องออกมาควบคุมความคิดต่อไป พอจากสมาธิมาก็มาควบคุมความคิดด้วยการเจริญสติต่อไปจะใช้พุทโธพุทธานุสติก็พุทโธพุทโธไปใช้กายากตาสติก็ดูการเคลื่อนไหวของนั่งกายต่อไปแล้วก็ค่อยกลับมานั่งสมาธิอีกรอบหนึ่งวันหนึ่งนี่นะาา จ, จะสามารถนั่งสมาธิได้หลายหลายรอบในการสลับกับการเจริญสตินี่และเพราะว่า เวลาเข้าสมาธินี้บางทีมันก็สติยังมีกําลังไม่มากพอก็จะเข้าได้อยู่ไม่ได้ไม่นานเข้าอยู่ได้ปป๊บหนึ่งแล้วก็ถูกกาลังของกิเลสตัณหาความอยากเสดลูกเสียงกลิ่นรดผักดันออกมาพอผลักดันออกมาเราก็ต้องใช้สติคอยควบคุมกิเลสตัณหาไว้อยา่าปล่อยให้กิเลสฉุดลากให้เราไปเสดลูกเสียงกลิ่นรดต่างๆเวลาจะเสดอะไรก็ต้องใช้เหตุใช้ผลถ้าหิวน้ำํำ ก็ดื่มน้ำได้น้ำน้ำเปล่าแต่อย่าไปดื่มน้ำที่มีสีมีกลิ่นมีรสเพราะอันนั้นมันเป็นการเสพเสพเสพการมรสุขเราพยายามที่จะเลี่ยงเลี่ยงวิธีการเสพการมรสุขให้มากที่สุดเวลาที่เราเลี้ยงดูร่างกายร่างกายต้องการน้ำก็ให้น้ำเปล่าเปล่าร่างกายไม่ต้องการน้ำที่มีรสมีสีมีกลิ่นอะไร <Maybe. S 1> น้ำเปล่าเปล่า น, น, นี่เป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการเหมือนการลมหายใจ ร่างกายก็ต้องมีลมหายใจเข้าออกตลอดเวลาน้ำก็ต้องมีเข้าออกตลอดเวลาดินคืออาหารก็ต้องมีการเข้าออกอยู่แต่กินวันละมื้อก็พอหรือไม่กินเชี่ยงวันก็พอเพียงต่อการเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่ไปได้แต่ถ้าจะกินอะไรอย่างอื่นันหลังจากเชี่ยงวันไปแล้วก็ไม่ควรจะกินเพราะมันเป็นการเสพการกินด้วยความอยาก อยากกินอยากเสพเลือเสียงจิตลดปท่าของอาหารเวลาจะจะเสพอะไรก็ต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์หรือว่ามันเป็นกิเลสหรือไม่เป็นกิเลสถ้าเป็นกิเลสเราก็ต้องหักห้ามจิตใจอย่าไปเสพมันมาเจริญสตินั่งสมาธิต่อดีู่ป่ามาหาความสุขจากการทําสมาธิถ้าเราเข้าสมาธิได้บ่อยขึ้นได้มากขึ้น ความหิวของกิเลสมันก็จะน้อยลงเบาลงไปความอิ่มใจก็จะมีเพิ่มมากขึ้นต่อไปมันจะไม่หิวกับเรื่องการกินการดื่มอาหารอะไรการดื่มเครื่องดื่มการกินอาหารอะไรกินเฉพาะเวลาที่ถึงเวลาที่ต้องกินกินอาหารเหมือนกับการกินยาดื่มน้ำก็เหมือนกับการดื่มืเหมือนกับการเติมลมหายใจเข้าออกลมหายใจเราก็ต้องการลมหายใจที่สะอาดบริสุท ไม่ต้องการนะฮมหายใจที่มีกลิ่นมีควันบางคนก็ไปเอาลมหายใจที่มีกลิ่นมีควันเข้าไปด้วยเป็นเอาควันบุหรี่เข้าไปเอาควันของยาเสพติดเข้าไปเอากลิ่นของยาเสพติดเข้าไปอันนี้ก็เป็นการเสพเสพกรรมการมคุณเสพกามมาสุขที่เราต้องการที่จะหักข้ามจิตใจเพราะว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นยาเสพติดมันจะทําทให้เสพแล้วติด แล้วพอไม่ได้เสพมันจะทุกข์เพราะมันไม่ได้ให้ความอิ่มความพอและมันก็เป็นของที่ไม่แน่นอนว่าเราจะสามารถหามาเสพได้ตลอดเวลาที่เราต้องการหรือไม่งั้นอย่าไปหาความสุขจากลูกเสียงกินลดดีกว่าให้มาหาความสุขจากการเจริญสตินั่งสมาธิดีกว่าเพราะเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้เพราะมันอยู่ในตัวของเราเองสติอยู่ในใจของเรา ควาสมสงบก็อยู่ในใจของเราควาสมสงบก็เกิดจากการมีสติสคอยควบคุมระงับความคิดต่างๆเบื้องต้นก็ทำสองอย่างนี้สลับกันไปเจริญสติเวลาที่ไม่ได้นั่งสมาธิหรือเดินจงกรมก็การเจริญสตินี้มันก็เวลานั่งสมาธิมันก็เป็นการเจริญสติเหมือนกันเวลาเดินสมาธิคือเดินจงกรมมันก็เป็นการเจริญสติอยู่เหมือนกันสรุปก็คือเราต้องเจริญสติ ตั้งแต่ตื่นจนหลับอย่าปล่อยให้สติหายไปจากใจถ้ามีสติคอยควบคุมใจอยู่เรื่อยๆความคิดต่างๆมันก็จะหดหดเข้าไปหดเข้าไปน้อยลงไปน้อยลงไปต่อไปก็เหลือแต่สักแต่ว่ารู้เป็นจิตที่รู้เฉยๆโดยที่ไม่มีความคิดปรุงแต่งอะไรแต่ยังมีกิเลสอยู่เพียงแต่ว่าถูกสติคอยสกัดกั้นไว กิเลสนี่มันจะทำงานได้ก็ต้องอาศัยความคิดต่างๆหรือการที่ไปเสพไปสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสถ้าไปเห็นรูปของอาหารได้ยินเสียงเพลงนี่กิเลสมันก็จะโผล่ขึ้นมาได้อยากจะกินอาหารขึ้นมาอยากจะฟังเพลงขึ้นมาทันทีนั่นก็ต้องสัมรวมตาหูจมูกนิ้งกายต้องไปอยู่ในสารที่ที่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอย่าไปอยู่ใกล้ พราเวลาเข้าใกล้สิ่งเหล่า น, นี้แนละ้วมันจะทําให้ใจลุกเป็นไฟขึ้นมาลุกขึ้นด้วยไฟของราคะด้วยไฟของโลภะด้วยไฟของโกรธโธทะด้วยไฟของโมหะจ mm hmm. ึงต้องสำรวมตาหูจมูกนิ้นกาย mm hmm. สำรวมอินทรีย์ mm hmm. อินทรีย์ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายอย่าให้ไปอยู่ใกล้ลูกเสียงขลิบลดผดทพาจึงผู้ปฏิบัติธรรมจึงนิยมไปอยู่ตามป่าตามเขากัน ไปอยู่ตามสถานที่ที่มันห่างไกลจากลูกเสียงกลิ่นรสต่างๆ mm hmm. แล้วมันก็จะทำให้ไม่มีอะไรมาคอยยั่วยวนกวนใจไม่มีอะไรมาที่จะมาคอยสร้างความความอยากสร้างความวุ่นวายให้กับใจใจ mm hmm. ก็สามารถจเจริญสติได้อย่างง่ายได้ mm hmm. แล้วถ้ามีสติอย่างต่อเนื่องต่อไปถึงแม้จะเกิด ความอยากขึ้นมาก็สามารถใช้สติระงับมันได้แบบชั่วคราว <Yeah. S 1> ในเบื้องต้นนี้พยายามฝึกสติสลับกับการนั่งสมาธิแล้วเดินจงกรม <Yeah. S 1> ไปทั้งวันยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นเอง <Yeah. S 1> แล้วต่อไปกาลังสติเราจะมีมากขึ้นมากขึ้น <Yeah. S 1> สามารถเข้าสมาธิแล้วอยู่ในความสงบได้นานขึ้นมีความสุขจากความสงบได้มากขึ้นมากขึ้นต่อไปมันก็ ความอยากที่จะไปหาความสุขจากการมาสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะลดน้อยลงแต่มันไม่หมดมันก็ยังมีมีมีกำลังอยู่เพียงแต่ว่าเรามีกำลังต้านมันมากขึ้นใจเรามีความสุขมีความอิ่มจากสันี่สุขก็เลยไม่หิวโหยไปกับความสุขของการมาสุขของรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณชนิดต่างๆมันก็จะดึงใจให้เราไป ไปเสพลูกเสียงกินรสนี้ยากขึ้นยากขึ้นแล้วถ้าเราต่อไปเจริญปัญญาพิจารณาเห็นโทษของการเสพการมาสุขว่าเป็นการไปหาความทุกข์เพราะว่าการมาสุขมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเมื่อมันไม่เที่ยงมันก็จะทาให้เกิดทุกข์ขังขึ้นมาเวลาที่มันเสื่อมไปมันหมดไปแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะไปทำให้มันเที่ยงได้เพราะมันเป็นอนัตตา มันเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราที่เราจะสั่งให้กวามสุขที่เราได้มานี้อยู่กับเราไปตลอดไม่มีเสือไม่มีจากเราไปเราห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้เวลามันจากเราไปเวลาที่เราไม่สามารถเสกมันได้เวลานั้นใจเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้น<ม>นี่ที่มาของคําว่าอ น, นิจังทุกขังอนัตตาทุกเพราะว่ามันไม่เที่ยง ทุกเพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมบังคับให้มันเที่ยงให้มันอยู่กับเราเป็นของเราไปได้ตลอดวันดีคืนดีเวลาที่มันอยากจะจากเราไปมันก็ไปตามเหตุตามปัจจัยของมันพอมันไปมันก็ปล่อยให้เรารู้สึกอ้างว้างเปล่าเดียวเดียวดายเศร้าสร้อยหงอยเหงาขึ้นมาถ้าจากไปบ่อยๆก็จะทําให้เกิดอาการซึมเศร้าขึ้นมาจนกลายเป็นโรคซึมเศร้าขึ้นมาก็ได้แต่ถ้าเรามีความสุขจากการเสพสันติสุข จากการทำจิตใจให้สงบนี่ใจเราจะไม่ทุกข์อยู่คนเดียวก็ไม่ทุกข์ไม่เหงาไม่มีอะไรให้เสียไม่มีรูปเสียงกิ่นรสก็ไม่เดือดร้อนเพราะใจมีความสุขจากสันติสุขจากความสงบของใจที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขของกามาสุขของรูปเสียงกลิ่นรสผลภแต่ตอนเบื้องตอนนี้ต้องคอยมีสติคอยกำกับใจควบคุมใจอยู่เรื่อย ถ้าช่วงไหนเผลอสติปล่อยให้ใจคิดถึงลูกเสียงกินรสปล่อยให้ใจไปไปไปเสพลูกเสียงกินรสเนความทุกข์ก็จะกลับคืนมาได้ทันทีถ้าไม่อยากให้กลับไปเสพสันติการมรสุอย่างท้าวรนก็ถึงขั้นต่อไปเมื่อเราสามารถควบคุมใจให้อยู่ควบคุมความคิดให้อยู่ตามตามที่เราต้องการได้สั่งให้มันสงบเมื่อไหร่ก็สั่งได้ ถ้าเราสั่งให้มันสงบได้แล้วหยุดได้แล้วเราก็สามารถสั่งให้มันคิดไปในทางที่เป็นปัญญาได้แล้วคิดไปในทางตายรักษณนี่คิดว่ารูปเสียงกลิ่นรสที่เราเคยเสพนี่ยมันเป็นทุกข์เพราะมันเป็นของไม่เที่ยงถึงแม้มันจะให้ความสุขก็เป็นความสุขแบบไม่เที่ยงสุขแบบชั่วคราวแล้วเราไม่สามารถทําให้มันมีนความสุขแบบยั่งยืนถาวรได้เพราะมันไม่อยู่ภายใต้อํานาจของเรามันเป็นอนัตตา มันมีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้มันอยู่มันก็อยู่พอเหตุปัจจัยที่ทำให้มันอยู่มันหมดไปมันก็จากเราไปเวลามันจากเราไปถ้าเราไปยึดไปติดมันไปพึ่งมันเราก็จะทำให้เราทุกข์ใจขึ้นมาที่ทุกข์ก็เพราะเราอยากให้มันอยู่ต่อไปแต่มันไม่อยู่กับเราดังนั้นเราต้องเห็นโทษของของความของความอยากว่าเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ยังอยากในรูปเสียงกิ่รอยู่ อยากให้มันอยู่กับเราให้ความสุขกับเราไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาเห็นว่ามันเป็นอตยลักษณ์เห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงทุกข์เพราะเราไม่สามารถเก็บมันไว้ให้อยู่กับเราไปได้ตลอดเราก็จะหยุดความอยากที่จะไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้พอเราหยุดความอยากได้ใจเราก็พ้นจากความทุกข์จากรูปเสียงกลิ่นรสไป ต่อไปเห็นรูปเสียง ก, กลิ่นอะไรก็เรารู้สึกเฉยเฉยไม่มีความรู้สึกยินดียินร้ายไปกับมันพอเห็นมันเข็ดหลาบด้วยการเห็นด้วยปัญญาเห็นว่าถ้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันก็จะทําให้เกิดความทุกข์เหมือนคนที่เลิกติดยาเสพติดได้เนี่ยพอเลิกยาเสพติดได้แล้วนี่จะไม่อยากจะกลับไปแตะยาเสพติดอีกพอรู้ว่ามันฤทธิ์ของยาเสพติดนี้มันร้ายแรงขนาดไหนเวลาไปติดมันแล้วนี่มันจะทําให้ทุกข์อย่างสาแสนสาหัส ก็เราต้องเห็นทุกเห็นทุกด้วยปัญญาเห็นทุกในตายรักเห็นทุกขังเห็นที่มันเป็นทุกขังเพราะมันเป็น อ, น, อนิจจังเห็นว่ามันเป็นอนัตตาเราไม่สามารถที่จะให้มันอยู่กับเราให้ความสุขกับเราไปได้อย่างยั่งยืนถาวรตลอดไปนี่คือขั้นของปัญญาต่อไปหลังจากที่เราชํานาญเข้าออกในสมาธิมีฐานของสมาธิที่มั่นคงมีความสุขมีความเย็นมีอุเบกขาอยู่เรื่อยๆ ถึงแม้จะออกจากสมาธิมาความสุขความเย็นความเป็นอุเบกขาของของสมาธิก็ยังตกค้างอยู่ในใจใจก็จะไม่หิวโหวยแล้วก็ใจก็สามารถดึงให้ความคิดบิคิ ด, คดทางตายลักได้อยู่เรื่อยพออยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากได้คนนั้นคนนี้อยากเป็นนั่นเป็นนี้ก็พิจารณาว่าเป็นตายรักไปเลยเพื่อเพื่อตัดความอยากไปพอเห็นว่ามันเป็นทุกข์ปั๊บมันก็ความอยากก็หายไป หรือเราอาจจะไม่อยากเองอยู่ดีๆก็มีคนมายืน่นมายื่นข้อเสนอมาล่อเราให้เงินเราบ้างให้ลาบบ้างให้ยศบ้างแต่ถ้าเราพิจารณาเห็นว่ามันก็เป็นอนิจจ์เป็นทุกขังอนัตตาเราก็จะปฏิเสธไปทันทีไม่เอาดีกว่าอยู่เฉยๆดีกว่าอยู่เฉยๆปลอดภัยอยู่กับความสุขที่เกิดจากความไม่มีความอยากดีกว่าเพราะว่าเวลาตัดความอยากได้แล้วจิตก็จิตที่วุ่นวายก็จะ กลับมาสงบตัวทันทีแล้วก็จะสงบแบบยั่งยืนถาวรเพราะความอยากที่ตัวมาสร้างความวุ่นวายใจนี้มันถูกกําจัดด้วยปัญญาถ้าคำถ้ากําจัดด้วยปัญญานี้มันจะหายขาดไปเลยมัน ม, มันจะไม่ฟื้นกลับมาอีกแต่ถ้ากําจัดด้วยสตินี้มันจะเป็นเหมือนหินทับหญ้าเวลาเอาหินไปทับหญ้าหญ้าก็งอกขึ้นมาไม่ได้แต่พอเอาหินออกไปพอหญ้าได้น้ําได้แดดมันก็จะงอกกลับขึ้นมาได้ พอล่าของมันยังอยู่ราาของมันรากของหญ้านี้ก็เหมือนกับกิเลสกิเลสก็เป็นเหมือนหญ้าสติก็เป็นเหมือนก้อนหินเวลาก้อนหินไม่ทับกิเลสไว้ทับไม้กิเลสมันก็งอกขึ้นมาไม่ได้แต่มันไม่ตายพอพอเราสติออกเผอสติปล่อยให้ใจคิดไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นั้นความอยากมันก็โผล่กลับคืนขึ้นมาอีกได้ถ้าอยากที่จะทำให้ความอยากมันหายไปก็ต้องกาจัด ลากเงาของความอยากก็คือความหลงความหลงที่ไม่เห็นตายลักหนึ่ไม่เห็นว่าสิ่งที่เราอยากเป็นทุกข์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเราพิจารณาอย่างแยบยลเราสามารถเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้แล้วพอเกิดความอยากกับเรื่องอะไรนี้อนิจจังทุกขังอนัตตามันก็จะมาสอนใจทันทีพอสอนใจพอใจก็จะปล่อยหยุดความอยากทันที แล้วความอยากนั้นก็จะไม่กลับคืนมาอีกต่อไปทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆกับทุกความอยากต่อไปความอยากที่มีอยู่ในใจก็จะหายไปหมดด้วยปัญญาหายอย่างทาวรนแต่ไม่หายด้วยด้วยด้วยสติด้วยสมาธิหายแบบชั่วคราวคือสติสมาธิแต่หายแบบยั่งยืนทาวรนต้องหายด้วยปัญญาคือเห็นไตรลักษณ์เห็นโทษของความอยากว่าเป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับใจ เวลาอยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็จะทุกข์ขึ้นเพราะสิ่งที่อยากเราควบคุมบังคับให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราไม่ได้นั่นเองพอเห็นตายรักเห็นโทษของความอยากเราก็หยุดความอยากเสียเมื่อไม่มีความอยากของเนื้ออยู่ในใจใจเราก็จะสงบไปตลอดมีสันติสุขแบบยั่งยืนถาวรแบบไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดความสงบสุขแบบยั่งยืนถาวร น, นี่เราเรียกว่นนานิพพาน นิพพานังปรมังสุขขังความสุขอันยิ่งยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือความสุขของพระนิพพานคือเป็นความสุขที่เกิดจากความสงบที่ยั่งยืนถาวรเพราะตัวที่มาทำลายความสงบนั้นถูกทำลายไปด้วยปัญญาคือตายลักใจก็จะไม่มีอะไรมาสร้างความทุกข์สร้างความมุ่นหมายให้กับใจต่อไปแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะดึงให้ใจไปหลงไปเกิดไปหาร่างกายอันใหม่ เพิ่มมาใช้เป็นเครื่องมือในการเสพความสุขต่างๆของทางโลกต่อไปนี่แหละคือหน้าที่ของเราหรือ ง, งานของเราที่พระเจ้าต้องการให้เรามาปฏิบัติกันในวันพระหยุดการทํา ง, งานทั้งหนึ่งวันแล้วปฏิบัติอย่างจริงจังตั้งแต่ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจากกนกระทั่งถึงวันนุ่งขึ้นของวันพรุ่งนี้หนึ่งวันกับหนึ่งคืนเพราะวันพระนี้เริ่มตั้งแต่เมื่อเช้านี้ตอนที่พระพระอาทิตย์ขึ้น ได้ไปจะสิ้นสุดลงในวันพรุ่งนี้เช้าตอนที่พระขึ้นมาใหม่เป็นวันใหม่นี่หละคือวันที่เราต้องหยุดทำงานทั้งหนึ่งวันแล้วจะได้มีเวลามาสร้างความสุขสันติสุขให้กับใจสำหรับท่านที่ยังต้องทำงานอยู่ในวันนี้ท่านก็ต้องควรเปลี่ยนวันวันพระของท่านให้ไปตรงกับวันหยุดทำงานถ้าหยุดวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก็เลือกเอาวันใดวันหนึ่งให้เป็นวันพระ เพื่อที่จะได้ใช้วันนั้นให้ให้กับการมาสร้างความสุขคือสันติสุขถ้าไม่ทําอย่างนี้แล้วก็จะไม่มีการเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองถ้าจะหวังจากการนั่งสมาธิวันละครึ่งชั่วโมงนี้อย่าไปหวังมันไม่ได้อะไรมากมายหรอกมันเป็นแค่อาจจะเป็นน้ําจิ้มนิดๆหน่อยๆให้เราได้เสพได้สัมผัสแต่ไม่ทําให้ใจเราอิ่มใจเราพอได้ถ้าอยากให้ทําใจให้อิ่มให้พออย่างน้อยต้องมีประมาณหนึ่งวันกับหนึ่งคืน ให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาตามลาดับต่อไปแล้วจิตใจของท่านก็จะค่อยเจริญขึ้นไปตามลาดับจนถึงขั้นสูงสุดคือพระนิพพานสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาเลวะหาปูราปิริปุเรนติสากะลัง เอวเมวะอิโตทินังเมตานังอุปการปฏิมิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพพุเรนโตสังกะปาจันโทปนะระโสยธามะนิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพะโรโควินาสตุ มาเตภาวัตวันตราโยสุขีทีคายุโกภาวะอภิวาทนาสีดิษานิจังวุธาปะจายโนจตารธรรมาวัานติอายุวโนโอสุขังพารางังลำดับ ต, ต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถาม ใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่เราจะสะดวกในการถามตอบคำถามหลังจากนี้เราจะไม่สะดวกน ะ, ะถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนข้อความส่งเข้ามาใส่กระดาษเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่การเปลี่ยนครับผ้าจา์วันนี้มีผู้ติดตามทางเฟซบุ o กผ้าจา์สุชาติสามร้อยสามสิบแปดท่าน ทาง YouTube ภาจารยร์สุชาติสามร้อยยี่สิบเจ็ดท่านทาง u t u b e ดรวีสี่สิบหกท่านทางวิทยุออนไลน์นสิบห้าท่านค l ับ h ฮ u s ์แปดท่านผู้รับฟังหน้ากุฏิหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดท่านรวมทั้งหมดแปด้อยหกสิบห้าท่านครับกลับนมัสการภาจารย์เจ้าค่ะมี คำถามจากผู้รับฟังธรรมะนาคุติถามเข้ามาว่าขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะพระพุทธเจ้ากำหนดสีนข้อหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์และห้ามเลี้ยงสัตว์ให้เขาเอาไปฆ่าแต่ไม่ได้ห้ามบประทานเนื้อสัตว์หนูอยากจะลดการกินเนื้อสัตว์เพราะไม่อยากเบียดเบียนสัตว์ถึงแม้จะไม่ได้เป็นการเบียดเบียนทางตรงและทาให สบายใจดีขอเรียนถามว่าถ้างดทานเนื้อสัตว์นั่นคือเป็นบุญไหมคะไม่เป็นหรอกมันก็เหมือนควายควายมันก็ไม่กินเนื้อสัตว์วัวควายมันก็กินหญ้ามันไม่ได้บุญหรอกจากการกินหรือไม่กินแต่มันได้บุญจากการไม่ฆ่าถ้าเราไม่ฆ่าเราก็ได้มีศีลได้บุญจากการมีศีลตายไปก็ไม่ต้องไปถูกเขาฆ่ า, าไปเกิดเป็นสัตว์เดราาัจฉานั่นเขาฆ่าเราอีกทีหนึง่ง ทำอะไรไว้ก็ต้องใช้ต่รมนั้นไปแต่การกินของตายนี้มันไม่มีไม่มีผลทางบุญหรือทางบาปแต่อย่างใดแตนเรื่องของการกินการเลี้ยงชีพเ ล, เลี้ยงเลี้ยงร่างกายโดยที่ไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นเพราะเราไม่ได้ไปฆ่าเองหรือสั่งให้คนอื่นเขาฆ่าให้กับเราแต่ถ้าเราสั่งให้คนอื่นเขาฆ่าหรือว่าเราฆ่าเองเนี่ยแล้วเอาเนื้อเข้ามากินเงนี้ถึงจะบาป อย่างเราซื้อผักตามตลาดะค่ะพระอาจารย์หรือเราปลูกเองอ่ะมันก็จะมีพวกมแมลงใช่ไหมคะบางทีเราก็เผลอไปฆ่ามันแบบนี้ก็บาปด้วยใช่ไหมคะก็าบาปถ้ามันฆ่าก็ต้องบาปนะแต่มันบาปเล็กบาปน้อยมันมันมันมีบาปหลายหลายชั้นอ่ะหลายหลายน้ำจําคุกสามเดือนก็มีหกเดือนก็มีปีหนึ่งก็มีโทษหนักเบาต่างกันสิ่งที่ถูกฆ่าอยู่ที่เขามีคุณค่ามากน้อยถ้าเขามีคุณค่ามากก็โทษก็นหนัก เช่นค่าพ่อค่าแม่ค่าผ้าอาหาร น, นี่หนักที่สุดเพราะท่านเป็นบุคคลที่มีมีคุณค่ามากแต่ถ้าค่าคาตกรอี้ค่าค่าศึกศัตรูที่เราเข้ามาลุกล้านบ้านเราเนี้ยมันโทษน้อยกว่าอาจจะจำคุกแค่สามเดือนเลยจะค่ะมีโยมถามเข้ามาว่านอนหัวค่มตื่นมาประมาณตีหนึ่งนั่งสมาธิจนถึงตีสามในระหว่างนั้น มันนั่งเอาดีไม่ได้นั่งแล้วนั่งอีกพยายามเริ่มต้นใหม่เรื่อยๆหลายครั้งจนถึงตีสามจะออกไปเดินจงกลมแทนก็เดินไม่ได้เพราะนอนกับลูกสองคนกังวลลูกตื่นค่ะถ้าเราฝืนนั่งเพียง น, นั่งแบบนี้ทุกคืนแบบนี้มันจะมีการก้าวหน้ากว่าเดินไหมคะถ้ามันไม่มีสตินั่งไปมันก็ไม่ก้าวหน้าจะก้าวหน้าไม่ก้าวหน้าอยู่ที่ว่ามีสติควบคุมใจใเวลาที่เรานั่งหรือเปล่า ถ้าเราสามารถควบคุมใจไม่ให้คิดอะไรได้จิตมันก็จะสงบได้แต่ถ้ายังไม่มีสติที่จะควบคุมใจนั่งลอตหลับสบงบอย่างนี้มันก็จะไม่ได้อะไเรต้องพยายามจะเดินสติให้มากๆแล้วเวลานั่งจิตก็จะได้สงบถ้าสงบก็แสดงว่าได้ผล mm. ก็จะก้าวหน้า เจ้าค่ะจากคุณนาวินกราบเรียนถามพระอาจารย์ทำอย่างไรให้จิตเข้าใจว่าขันห้าไม่ใช่เราเป็นอนัตตาครับก็ต้องศึกษาดูว่าร่างกายของเรานี่มันมาจากที่ไหน ม, มาจากอะไร ม, มันก็มาจากพ่อแม่พ่อแม่ก็เป็นแค่ธาตุสีดินน้ำลมไฟมแล้วก็มาสร้างร่างกายอใหม่ก็เป็นดินน้ำลมไฟ เราเป็นผู้ที่มาครอบครองมันเราเป็นจิตผู้มาอาศัยหรือมาครอบคลองร่างกายนี้เราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายเป็นเหมือนตุ๊ ก, กาตาตัวหนึ่งที่พ่อแม่ผลิตขึ้นมาให้กับเราแล้วเราก็เอามาใช้ทำอะไรต่างๆตามที่เราต้องการจะใช้มัน응ก็ดูว่ามันมาจากไหนมันมาจากดินน้ำลมไฟเวลามันโติบโตขึ้นมาอะไรทาให้มันโตขึ้นมาก็ดินน้ำลมไฟ ลมที่เราหายใจเข้าไปน้ําที่เราเดื่มเข้าไปไฟที่เราได้จากแสงอาทิตย์ความร้อนอาหารดินก็คือธาตุดินก็ข้าวกับผักกับเนื้อนี่ก็มาจากธาตุดินมันเข้าไปในร่างกายมันก็ผสมปรุงแต่งกลายเป็นอาการสาสิบสองใช่ไหมกลายเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแล้วพอเวลาร่างกายตายไปธาตุทั้งสี่มันก็แยกตัวออกไปธาตุลมก็ไปก่อนตามด้วยธาตุไฟแล้วก็ตามด้วยธาตุน้ํา ก็เหลือแต่ธาตุดินของแข็งเช่นโครงกระดูกเป็นต้นมันก็ผุพังกายเป็นดินไปเจ้าค่ะจากคุณสมบูรณ์จะมีวิธีการใดขจัดความง่วงขณะฟังเทศและนั่งสมาธิเจ้าค่ะมันมีสองสาเหตุด้วยกันสติเนสติน้อยเนื่อยว่ากินมากเกินไป เอ็นช่วงนี้ช่วงบ่ายสองโมงนี้มันเพิ่งกินข้าวเสร็จใหม่ๆมพอมานั่งมันก็จะง่วงหลับได้เอ็นต้องฟังถ้าอยากจะฟังแบบไม่หลับก็ต้องฟังก่อนก่อนกินตอนที่ยังไม่ได้กินนี่มันไม่ง่วงมันหิวแต่มันจะฟุ้งซ่านมันจะคิดแต่เรื่องอาหารก็ฟังธรรมะไม่รู้เรื่องอีก<ม>พอกินแล้วมาฟังมันก็ไม่ฟุ้งแต่ไม่หลับ <c oughs> ก็ต้องเปลี่ย น, เ, ยนเวล า, า จ, จะไปลอตอนเย็น ถ้าเราถือศีลแปดเราไว้บ่ายตอนเย็นแล้วเราค่อยมามานั่งฟังถ้าเรายังง่วงก็ใช้การเดินจงกรมโดยการมีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวการทำงานอะไรต่างๆของร่างกายไปพางๆก่อนเ า, าค่ะจากนากุติกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะการไปปฏิบัติธรรมตามป่าเขาย่อมเห็นผลเร็วกว่าการปฏิบัติในเมืองที่มีคนพลุกพลานใช่หรือไม่คะกราบขอบพระคุณค่ะ ก็โอกาสมันก็ยังมีมากกว่าแต่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่เพียงอย่างเดียวมันขึ้นอยู่กับสติด้วยถ้าไปอยู่ที่สงบแต่ไม่มีสติคอยควบคุมใจมันก็ไม่ได้ผลอยู่ดียังนก็ต้องอยู่ที่สติด้วยอยู่ที่สถานที่ด้วยสถานที่ก็ช่วยทำให้ปฏิบัติได้ง่ายถ้ามีสติมันก็จะทำให้ได้ผลเร็วแต่ถ้าสถานที่ดีแต่ใจยังฟุ้งอยู่มันก็ไม่ได้ผลเพราะไม่มีสติ จากหน้ากุติเจค่ะกลับเนมัทสกายพระอาจารย์ค่ะวันนี้ได้มีโอกาสพาคุณพ่อคุณแม่หลานมาจากเมืองนนเพื่อมาฟังธรรมขอความเมตตาพระอาจารช่วยเทศสอนเรื่องทานศีลภาวนาเพื่อความมุ่งสู่เป็นโสดาบันในชาตินี้เพื่อคุณพ่ อ, ค, พอคุณแม่หลานจะได้มีความเข้าใจมากกว่านี้กลับขอบพระคุณค่ะเอาได้เทศกันเลยหมดแรงแนละ้ว เอาสั้นๆก็ทำทำบุญทำทานใส่บาทไปเบิจากเงินให้กับองค์กรต่างๆให้วัดให้โรงพยาบาลโรงเรียนก็เรียกว่าทานสินก็รักษาเริ่มต้นที่สินห้าแล้วก็บันพาก็มาถือสินแต่แล้วก็มาปฏิบัติภาวนาจเจริญสตินั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมก็จะได้การภาวนาได้สมาธิได้ปัญญาทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจากน้อยไปหามากต่อไปก็จะไปถึงพระนิพพานเอง เจ้าค่ะจากหน้ากุติกราบในมรสการท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะดิฉันทํางานเป็นหัวหน้าท่ามกลางลูกน้องและเพื่อนร่วมงานที่สแสวงแต่ผลประโยชน์ของตัวเองจะทําอย่างไรดิฉันไม่สามารถควบคุมได้ขอพระอาจารย์โปรดเมตตาสอนแนวทางให้หน่อยค่ะเพราะเขาเป็นอนัตตาไงพระเจ้าบอกทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนัตตาเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับเขาได้ตามความต้องการของเรา บางครั้งก็อาจจะทําได้ถ้ามันตรงกับเขาถ้าเขาอยากจะทําอย่างนี้แ้วเราก็ไปบอกให้เขาทาอย่างนี้เขาก็จะทําได้แต่ถ้าไปบอกในสิ่งที่เขาไม่อยากจะทําแล้วก็ทําไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับเขาได้ถ้าถ้าบังคับได้ควบคุมได้ก็ควบคุมไปทําไปถ้าควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปถ้าไม่ปล่อยใจเราจะทุกข์ใจเราจะวุ่นวายใจเราจะไม่มีความสุข สักน้ะคุติเจ้าค่ะกระดาษนมันสการพระอาจารย์ค่ะดิฉันมีเพื่อนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเพื่อนและดิฉันเสียใจมากขอพระอาจารย์โปรดสอนแนวคิดหน่อยค่ะพระพุทธเจ้าสอนให้เราคิดอยู่ด้วยว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาลวงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ถ้าเราคิดบ่อยๆก็เท่ากับเราฉีดวัคซีนให้กับใจี ใ, ใจก็จะมีภูมิคุ้มกัน พอมีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายใจก็จะไม่ทุกข์ไม่เศร้าโศกเสียใจเห็ตนตานี้พยายามถึงแม้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นมาแล้วเราก็ยังสามารถฉีดวัคซีนมาช่วยได้อยู่ใหเราคิดอยู่เรื่อยๆว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดภาคจากการเป็นธรรมดาร่วงพ้นไปไม่ได้คิดอยู่บ่อยๆท่องอยู่บ่อยๆเดี๋ยวใจก็จะยอมรับเองแล้วเขจะหายทุกข์เจ้าค่ะจากเ Facebook การนั่งภาวนาติดสมถะ นานจะแก้ไขยอย่างไรครับไม่ต้องแก้หละยิ่งนานเท่าไหร่ได้ยิ่งดีเบื้องต้นนี้ต้องให้เราชำนาญทางสมาธิก่อนให้ให้นั่งสมาธิได้นา น, านอย่างฤๅษีบางคนเข้าทีเจ็ดวันสิบห้าวันนี้อันนี้เพื่อสร้างพลังสร้างพลังของสติสร้างอุเบกขาให้มีกําลังมากแล้วพอหลังจากนั้นแล้วพอมันเต็มที่แล้วทีนี้ต้องออกไปทางปัญญาต่อถ้อายังติดอยู่สมาธิที่นี้ก็จะไม่ก้าวหน้าก็จะติดอยู่แต่ขั้นสมาธิ แต่พอเราได้สมาธิเต็มร้อยแนละ้วเราพร้อมที่จะไปทางปัญญาแล้วเราก็ต้องเวลาออกจากสมาธิมาเราก็ต้องพิจารณาตายลักทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้ลองให้เห็นว่ามันเป็นตายลักไปทั้งหมดแล้วเราก็จะไม่อยากได้ต่อไปเจ้าคา่ะจักคุณตากราบนามัชฌิตรพราชาอยากทราบว่าพระอระหันต์จะทราบภูมิจิตของผู้ที่มีภูมิจิตต่ากว่าเช่นปุถุชนโสดาบานันไดหรือไม่ครับ อันนี้ต้องไปถามพระพุทธเจ้ดาดีเลยค่ะค่ะจากาทาง youtube ค่ะกำหนักที่เคยทําในอดีตเราสามารถผ่อนหนักเป็นเบาในชาตินี้ได้ไหมคะหรือว่าต้องรับผลไม่ช้าก็เร็วค่ะต้องรับผลไม่ช้าก็เร็วของที่ผ่านมาแล้วเรากลับไปเปลี่ยนไม่ได้แต่เราสามารถสร้างบุญไว้ต้านมันได้อยู่ คือย่าให้มันเกิดก่อนถ้าบุญมีกําลังมากกว่าบุญก็จะเกิดก่อนผลของบุญก็จะเกิดก่อนแต่ถ้าผลผลของบุญมีน้อยกว่าบาปผลของบาปก็จะเกิดขึ้นมาก่อนเฉกค่ะจากยูทูบกราบนวัช ก, การพระอาจารย์ค่ะหากใช้คําบริกรรมว่าตายแทนการใช้คําว่าพุทโธแล้วรู้สึกว่าตัดความฟุ้งซ่านได้ดีกว่าก็สามารถใช้คําว่าตายได้เช่นกันใช่ไหมคะได้ก็เป็นการเจริญมรณานุสติ แทนที่จะใช้พุทธานุสติแล้วก็ใช้มรนานุสติคิดถึงความตายแต่มันเป็นยาขมสําหรับคนบางคนนี้ใช้ไม่ได้พอคิดถึงความตายแล้วไม่มีกจิตกระจยจะภาวนาต่อก็ต้องใช้ของที่มันเป็นกลางกลางเช่นพุโทโธไปแต่คนที่มีปัญญาคนที่ใจกล้าใจแข็งพองนึกถึงความตายปับ๊บกิเลสใจทําให้กิเลสใจสงบปับ๊บอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้วแต่คนอันนี้ต้องพิจารณา แล้วแต่กาลังของแต่ละคนเจริญของแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะจากทางช่องด็อกตรวีค่ะกราบเรียนพระอาจารย์นะครับขออนุญาตเรียนถามครับปัจจุบันตัวกระผมใช้ชีวิตคู่ปกติแต่เคยได้มีโอกาสภาวนาก่อนหน้าที่จะแต่งงานใช้ชีวิตคู่จนจิตไม่กลับไปพิจารณาเรื่องร่างกายอีกแล้วควรพิจารณาอย่างไรต่อครับ ถ้าเราอยู่กับคู่ของเราอยู่เราจะไปพิจารณาสุภาพมันเดี๋ยวก็อยู่ด้วยกันไม่ได้แต่พิจารณาเรื่องความตายได้ไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องจากกันอยู่ดีแฟนเรากับเราไม่ได้อยู่ร่วมกันไปตลอดมีความแก่ความเจ็บความตายเท่ากันมีการพัดพาคจากกันได้เสมอแต่อย่าไปพิจารณาสุภาพเพราะว่ามันจะทําให้เราไม่ทําหน้าที่ของเราพอเราไม่ทําหน้าที่ของเราเดี๋ยวชีวิตคู่ก็จะกลายเป็นชีวิตทุกข์ไป ใช่ค่ะจากค 24, กนยี่สกราบนะครับกราบพระอาจารย์ขอถามว่าคนที่ไม่เลี้ยงดูจุนเชื้อพ่อแม่เลยแต่ตัวเขามีครอบครัวของตัวเองเลี้ยงลูกปนเปื่อลูกและภรรยาอย่างดีเคยได้ยินได้ฟังที่มีการพูดกันว่าให้เรานึกถึงครอบครัวของตัวเองก่อนครอบครัวที่เราจากมาการทนแบบนี้ผิดถูกอย่างไรคะขอพระอาจารย์เมตตาให้ความเห็นค่ะอ๋อโดยหลักธรรมนี้เราต้องดูแลพ่อแม่ก่อน คือเราดูแลตัวเราด้วยแต่ก็ต้องดูพ่อแม่ด้วยเป็นส่วนเดียวกันไม่ใช่ดูแลตัวเราจนดีแล้วพ่อแม่ทุกขยากลําบากอันนี้ก็ไม่ถูกเราดีพ่อแม่ก็ต้องท่านก็ต้องดีเท่าเราแล้วดีกว่าเราอถึงจะถูกชาก youtube จ้าค่ะต้องทําใจยังไงไม่ให้รู้สึกเกลียดพ่อของตัวเองค่ะไม่เกลียดพ่อของตัวเองเนะเจ้าค่ะถ้าไม่มีพ่อเราก็ไม่มีเราอจะไม่เกลียดเขาได้ยังไง ามาจากใครถ้ราไม่มาจากพ่ออจากแม่เป็นพ่อแม่ของเรานี่เป็นต้นกําเนิดของเราเป็นบุพกาลีเป็นผู้ให้กําเนิดกับเราผู้เลี้ยงเราให้โตขึ้นมาท่านเสียสละท่านทุกยากลําบากเพื่อเรามามากมายอย่างโชคชนแล้วเราจะไปเกลียดท่านได้อย่างไงเราไม่นึกถึงบุญคุณของท่านเองก็เลยทําให้เราเกลียดเพราะว่าท่านอาจจะพูดอะไรบางอย่างที่เราไม่พอใจหรือทําอะไรบางอย่างที่เราไม่พอใจแต่ถ้าเรานึกถึงบุญคุณแล้วเราจะเห็นว่าบุญคุณของท่านนี้ยิ่งใหญ่กว่า สิ่งต่างๆที่ท่านทําหลายเท่าด้วยกันให้พยายามนึกถึงมุลคุณของท่านอยู่เรื่อยๆนึกถึงที่มาที่ไปของเราไม่มีพ่อไม่มีแม่จะไม่มีเราจากคนที่คัฒนาโดยปกติโยมได้ฝากพี่เอใส่บาตรกับพระอาจารย์มาโดยตลอดเจ้าค่ะแต่ในเดือนเมษายนนี้โยมมีปิติในใจว่าอยากไปใส่บาตรด้วยตัวเองสักครั้ง พออยู่กทมถามว่าการทำบุญที่ฝากกับการอยากไปทำด้วยตัวเองสักครั้งหนึ่งมีผลบุญต่างกันอย่างไรเจ้าคะ่ะน้อมกราบในความเมตตาอย่างสูงเจ้าค่ะคือบุญที่เกิดจากการให้นี่เท่ากัน<ม>เราริจากร้อยบาทซื้อของแล้วฝากคนอื่นใส่หรือเรา <c oughs> เราไปใส่เองเงินที่เราเสียไปร้อยบาทเราก็ได้เต็มที่แต่ส่วนที่เราไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ไปเองก็คือความเพียรบุญที่เกิดจากความเพียร เพราะว่าเราฝากคนอื่นทําให้กับเราส่วนนั้นก็คนอื่นเขาก็จะได้ไปเช้าค่ะคุณอ้อ ก, กราบเรียนถามหลวงพ่อค่ะเมื่อวานลูกรับสิ่งแปดแต่เวลานั่งสมาธิลูกรู้ว่านั่งนิ่งได้ไม่นานลูกควรทาอย่างไรคะฝึกสติต่อไปพอไม่นิ่งก็ต้องเริ่มพูดทัวพูดทัวต่อไปเมื่อดูลมต่อไปเจ้าค่ะจาก y ยูทูปหากใช้คำบริกรรมในการนั่งภาวนาจนเข้าสมาธิ แล้วอยู่ๆคำบริกรรมนั้นหายไปนึกอย่างไรก็นึกไม่ออกต้องใช้อะไรเป็นสิ่งยึดต่อไปคะถ้ามันไม่คิดอะไรก็ไม่ต้องนึกไม่ต้องบรกิกรรมก็ได้ให้รู้เฉยๆรู้ว่าตอนนี้ใจเริ่มนิ่งแล้วก แ, แต่ว่ารู้ไปยังมีคำถามมีคนมาถามกล่าวนมัสการพระอาจารย์ค่ะพอดีหนูมีคำถามจากการปฏิบัติเมื่อวันเสาอนะคะนั่ง อตอนที่จะนั่งสมาธิก็ตั้งใจว่าจะเพ่งอยู่ที่ลมหายใจไม่ให้หลุดไปไหนอะค่ะแบบให้รู้ว่ามันเข้าแล้วก็รู้ว่ามันออกตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ค่ะ <c oughs> แต่พอเวลาที่เราแบบนั่งไปแล้วมันกลายเป็นนั่งไปสักพักหนึ่งแล้วมันก็หลุดแล้วก็เริ่มใหม่นั่งหลุดเริ่มใหม่อะไรอย่างนี้ยค่ะหนูต่อสู้กับมันประมาณชั่วโมงกว่าค่ะซึ่งจริงๆก็รู้สึกว่าตัวเองมีสติแต่ว่ามัน เหมือนมันตามลมไม่ได้ไม่ทานนะคะเลยไม่แน่ใจว่าเ อ, อสาเหตุมันเกิดจากการที่หนูเพ่งมากไปหรือว่าหนูสติออกนะคะสติน้อยไปคนจะใช้การสวดมนต์ไปก่อนถ้าดูลมไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนสวดไปจนกระทั่งรู้สึกว่าใจสงบขึ้นค่อยๆกลับมาดูลมใหม่ต่ออ๋อแต่ตอนที่นั่งแบบว่าชั่วโมงกว่าก็รู้สึกว่าตัวเองมีสติเพียงแต่ว่ายังถือว่าน้อยไปใช่ไหมคะมันได้แบบเป็นเป็นตอนๆไป ถ้ามันได้อย่างต่อเนื่องมันต้องสงบถ้ามันนั่งแล้วยังไม่สงบแสดงว่าสติมันขาดตอนขาดขา ด, ขาดหายหายไปมันก็เลยไม่ได้ทําให้ใจรวมเป็นสมาธิได้ได้ก็เป็นความเพียพรพยายามได้ความเพียพรพยายามต้องฝึกสติให้มากขึ้นถ้าดูลมตอนนั้นไม่ได้ก็ลองใช้การสวดมนต์หรือบริกรรมพุทโธแทนไปได้ค่ะแล้วพอวันถัดมาหนูก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบพุทโธอ่ะค่ะแต่ว่าอพอพุทโธแล้วมันเหมือน คือหนูเคยแบบเหมือนพุทาจัวอ่าใช่ค่ะมันจับกับลมหายใจถั้งแต่เด็กๆมาแล้วอ่ะค่ะมันก็เลยเหมือนติดพอมาพุทธโทโดยที่ทิ้งลมมาค่ะแล้วมันขาดต่อนะคะคือกําลังพูดเข้าโทวออกดูก็ได้ลองอ๋อลองดูว่าใช้ได้หรือเปล่าถ้าพุดเข้าโทรออกแล้วใจนิ่งก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วแต่คนแต่ละคนไม่เหมือนกันเคยติดอะไรมาบางทีมันก็ต้องทําแบบนั้นไป มาใช้แบบใหม่มันก็เหมือนการเริ่มต้นใหม่ใช่ค่ะมันก็เลยเหมือนมันมันเรื่อยอะค่ะแต่ว่ามันมันไม่ได้สงบลงอะไรพูดเข้าตัวก็ได้ลองทํำดูก็ได้ได้ค่ะแล้วก็คือหนูเคยมาปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็เหมือนได้ความสุขจากการนั่งสมาธิค่ะซึ่งตอนนั้นมันจะไม่ได้แบบตกหลุมตกบ่อนะคะมันจะเหมือนค่อยค่อยค่อยคสงบแล้วมันเป็นค้นยไปกนงี้ สงบแบบขั้นๆก็มีมันมันเหมือนค่อยๆเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกแบบมีความสุขมากเหมือนเหมือนเราทําบุญเลยค่ะใช่แต่ว่าแต่ว่าเรารู้นะคะแล้วหนูยังเปรียบเทียบวิมีความรู้สึกเหมือนเราทําบุญเลยแต่ว่ามันแบบมันลึกมันลึกว่าค่ะแล้วมันก็นานกว่าทั้งๆที่มันเหมือนที่อาจารย์บอกว่าเออแค่ช้างกระดิกหูอะไรอย่างเงี้ยค่ะอหนูก็เลยแบบเอ๊ะอันนี้เขาเรียกว่าเข้าสมาธิได้ไหมอะค่ะ ก็ได้ก็ เ, เรื่อมันก็สงบมันก็เป็นสมาธิแต่มันอาจจะสงบมากสงบน้อยสงบนานหรือไม่นานต่ออนางต่างก็เริ่มเข้าอยู่ในในในในกรอบของความสงบแล้วออถ้ามันเกิดความรู้สึกอิ่มใจสุขใจเกิดความรู้สึกเป็นเหมือนกับปาฏิหาริย์อย่านี้ก็ถือว่าใช่แล้วคือแต่พอเราออกจากสมาธิลืมตามแล้วมันก็ยังรู้สึกเบิกบานใจ เ, เหมือนเราไปทําบุญอะไรนี้มันเยอะแบบอยู่ไปสักพักหนึ่งใช่ค่ะสักพักหนึ่งเลยคือนานเลยอะค่ะ แล้วหนูก็ติดทุกวันนี้หนูก็ติดอยู่กับอารมณ์ตรงนั้นเวลามาถือศีลหนูก็ทำไมเราทำแบบนั้นไม่ได้อีกทำไมไม่มีเหตุไงเราจะเอาผลโดยเอาเอาความอยากไปอยากไปอยากเราต้องกลับมาทำทำสติใหม่เหตุที่ทำให้ใจเราสงบก็คือเเรามีสติเราก็ต้องทำสติแบบแบบคราวที่แล้วแล้วมันก็จะกลับเข้าสู่ความสงบแต่เราจะไปเอาความอยากบอกให้มันสงบอยากได้ความสงบมันไม่สงบ อย่างนั้นก็เรียกว่าคณิกาสมาธิไหมคะก็อย่าไปติดชื่อมันดีกว่าจะมานั่งเทียงกันบ่าวแล้วถ้าสมมุติว่าแบบวันนี้หนูตายไปนะคะหนูจะยังไม่ถึงขั้นพรมถูกไหมคะเพราะว่ายังกำหนดสมาธิไม่ได้ก็อาจจะเป็นพรมแบบชั่วคราวนิดเดียวแล้วก็ตกออมาเที่ยวอย่างนี้เหรอคะอ๋อถ้าจะเป็นพรมก็คือต้องกาหนด ทำสุ้ ง, ท, งทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ไม่ไปเสบรูปเสียง ก, ล, กลิ่นรนเองนะอ๋อก็เหมือนแทบจะเป็นนักบวชเลยใช่ไหมเป็นนักบวชนะอ๋อไม่เป็นนักบวชก็ได้แต่ไม่เสบรูปเสียงกลิ่นก <c oughs> ็ดสินแตไ่ได้ตลอดเวลาไม่ดูหนังฟังเพลงไม่ไม่นอนกับแฟนอะไรต่อไปอันี้ยังเป็นพรมแทนได้อ๋อได้ค่ะพรอาจารย์อันนี้ยังเป็นพรมแบบว่ากําลังซ้อมเป็นพรมซ้อมขึ้นๆลงๆอยู่<า>สลับเข้าสลับออกได้ เท่กับขอบคุณพระอาจารย์ค่ะ า, างค่ะกลับน้ำมศการพระอาจารย์แบบพอดีโยมเคยนั่งสมาธิครั้งหนึงชั่วโมงครึ่งไม่ข ย, ยับนะฮะเวทนาก็ผ่านกระตอนนี้ตัวมันแบบพองใหญ่แบบพอดีมันหมดเวลาก่อนพระอาจารย์ก็ตรงนี้โยมก็ค่ะเขาทำบ่อยๆทําให้มันทางานต่อไปเราจะไม่กลัวความเจ็บเจ็บไขยได้ป่ยวยเราก็ไม่เดือดร้อน ต้องฝึกให้มันอยู่กับความเจ็บให้ได้นักความเจ็บชอบความเจ็บไม่กลัวความเจ็บค่ะแล้วต่อไปเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่ทุกข์ค่ะมันนี้เจิบแต่มันตัวมันพองมันเหมือนแบบไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องฟังเองอะไรก็เรื่องของมันสงสัยอะข้อสำคัญก็คือขอให้เราสงบใจเราเฉยค่ะโอเคไม่สนใจเวลาก็หมดพอดีสำหรับวันนี้ก็ต้องขออภัยที่ท่าน